เมื่อคนเราถึงคราวที่จะต้องจบชีวิตลงเพราะด้วยความชราโรคภัยหรืออุบัติเหตุก็ตามบางครั้งเราอาจรับรู้ได้ว่าวิญญาณของเราผู้ตายนั้นยังคงวนเวียนและปรากฏตัวให้ได้พบเห็นหรืออาจเป็นแค่เพราะวิญญาณเหล่านั้นหาได้รับรู้ว่าตนเองได้เสียชีวิตไปแล้วหรืออาจเป็นเพราะจิตที่ยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่ซึ่งตัวเองคุ้นเคยในสมัยก่อน โรงพยาบาลที่ผมปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายแต่ถึงแม้จะเป็นเพียงโรงพยาบาลระดับอำเภอแต่ก็นับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีประชากรในความดูแลเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้จึงทำให้จำนวนของทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆจึงต้องมีมากตามไปด้วยและแน่นอนครับตึกผู้ป่วยที่ใช้รับคนไข้เข้านอนรักษาตัว ก็ย่อมต้องมีอีกหลายตึกและหนึ่งในตึกเหล่านั้นก็คือตึกสงฆ์ตึกสงฆ์เป็นตึกที่อยู่แยกออกไปจากแผนกืนอื่ น, นหรือตั้งอยู่โดดเดียวห่างออกไปราว100เมตรโดยในขนาดที่ทางโรงพยาบาลได้จัดให้ตึกสงฆ์รองรับผู้ป่วยพระภิกษุสามเณรรวมถึงผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีและเมื่อมีตึกผู้ป่วยมีคนไข้ก็ต้องมีพยาบาลคอยดูแลโดยเฉพาะ พยาบาลหนึ่งในทีมผู้ดูแลนั้นคือพี่พรถ้าว่าพี่พรเป็นคนที่ทำบุญมาน้อยยิ่งนักพี่พรได้ด่วนจากไปในเวลาอันไม่สมควรโดยอุบัติเหตุรถพลิกคว่าขณะดเดินทางกลับบ้านจากการเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดและแม้ ง, งานศพจะผ่านไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยแต่สำหรับพี่พรแล้วชะลอยตัวแกอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้น เรื่องราวอันน่าสะพรึงขวัญจึงได้บังเกิดขึ้นมีผู้พบเห็นพี่พรหลายต่อหลายคนเช่นพยาบาลท่านหนึ่งที่ลงเวรตอนดึกเดินผ่านตึกสงสุเป็นเส้นทางที่จะกลับออพักพี่พยาบาลได้พบเห็นพี่พรยืนนิ่งอยู่บนตึกสงหรือบางคนเคยเห็นพี่พรในชุดนางพยาบาลถือหนังสือถือร่มเดินเข้าไปในตึกสงคล้ายๆกับว่ากาลังจะมาขึ้นเวร หรือแม้แต่กับคนไข้กับญาติที่นอนในตึกสงก็มีคนเคยเจอพยาบาลที่ชอบนำปลอดหรือเครื่องวัดความดันมาให้บริการคนไข้กลางดึกตีสองตี3โดยไม่เปิดไฟฟ้าแม้สักดวงเดียวแน่นอนว่าไม่ใช่พยาบาลตัวจริงหรอกครับเพราะตัวจริงน่ะนอนคุมโปงอยู่ในเคาน์เตอร์ด้วยความหวาดผวาตั้งแต่ขึ้นมารับเวรแล้วกระทั่งเพื่อนผมซึ่งเป็นหมอเหมือนกันคืนนั้นเป็นเพื่อนผม ถูกตามไปดูแลคนไข้กลางดึกโดยเพื่อนของผมจะใช้จักรยานในการเดินทางเพราะระยะทางจากบ้านพักไปยังตึกผู้ป่วยก็ไกลช่ย่อยทีนี้เส้นทางจะต้องผ่านตึกสงแต่เพื่อนผมก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรก็ไม่เคยเจอนี่นาะหมอหมอแววเสียงจากตึกสงเพื่อนผู้โชคดีหยุดจักรยานและหันไปมองยังต้นเสียงพี่พรยืนกวักมือเรียกอยู่ใต้ตึกแม้ไฟจะสลัวแต่นั่นนะ่ะพี่พรแน่ๆ เห็นเช่นนั้นเพื่อนหมอผู้ชกไร้จึงรีบสวมวิญญาณนักปั่นน่องเหล็กที่รถจักรยานด้วยความเร็วเท่าที่จะสามารถทำได้และเมื่อเสร็จธุระจากการตรวจคนไข้าขากลับเพื่อนผมยอมกลับอีกทางที่ไกลชนิดอ้อมรอบโรงพยาบาลเลยเพราะอย่างไรก็ดีกว่ากลับทางเดิมแน่ส่วนใครที่คิดว่าขอไม่ผ่านตึกสงในยามวิการก็จะปลอดภัยนั้นขอบอกว่าคิดผิดมหันนั่นเพราะเรื่องราวของน้องปุ๊ก ซึ่งเป็นพยาบาลประจําห้องฉุกเฉินทําให้เรารู้ว่าพี่พรแกไปทั่วทั้งโรงพยาบาลเลยเหมือนกับสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่คืนนั้นน้องปุ๊กขึ้นเวรห้องฉุกเฉินในช่วงเวรดึกซึ่งก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง8ปดโมงเช้าของวันใหม่โดยผู้ที่ขึ้นเวรพร้อมกับน้องปุ๊กก็คือพี่แก้วพยาบาลที่อาวุโสกว่า 2-3 ปีนอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยพยาบาลอีกหนึ่งคนที่ขึ้นเวรพร้อมกันช่วงปี2543 เวลาขึ้นเวรดึกผู้ป่วยจะไม่ค่อยมีมากนักเวลาส่วนใหญ่ของผู้ที่ขึ้นเวรดึกจึงหมดไปกับการนอนหลับพักผ่อนในห้องเวรวันนี้ก็เช่นกันน้องปุ๊กหลับบนเก้าอี้ผ้าใบพับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเก้าอี้ที่ใช้นั่งริมชายหาดส่วนพี่แก้วกับผู้ช่วยพยาบาล น, นอนบนโซฟาของห้องเวรจนกระทั่งราวตีสองมีผู้ป่วยมาตรวจหนึ่งรายพี่แก้วตื่นขึ้นพร้อมกับผู้ช่วยพยาบาล ทั้งกู้เห็นน้องปุ๊กหลับก็เลยไม่อยากกวนอีกทั้งผู้ป่วยมีเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นทั้งสองจึงลุกออกไปให้บริการแก่คนไข้โดยไม่ปลุกน้องปุ๊กให้ตื่นเพราะฉะนั้นจึงมีน้องปุ๊กเพียงคนเดียวที่นอนอยู่ในห้องเวรในปวังของห้วงนิทราอันแสนสบายนั้นน้องปุ๊กนางพยาบาลสาวรู้สึกเหมือนตัวสั่นๆเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สนอกสนใจอะไรมากเธอจึงหลับต่อแต่ว่าความรู้สึกสั่นไหวเริ่มรุนแรงมากขึ้น น้องปุ๊กจำเป็นต้องลืมตาตื่นและเธอรู้สึกได้ทันทีว่าที่สันสอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เพราะตัวเธอสันจะเป็นเพราะเก้าอี้ผ้าใบทัางหากที่สันสันเหมือนกำลังโดนเขย่าหรือเป็นพี่แก้วมาปลุกเพราะมีผู้ป่วยมาปุ๊กงัเงียขยี้ตาหญิงสาวมองลอดผ่านประตูที่แง้มไว้ซึ่งสามารถมองทะลุถึงห้องตรวจฉุกเฉินเธอเห็นพี่แก้วและผู้ช่วยพยาบาลกำลังให้บริการคนไข้ยอยู่อ้าวแล้วใครกัน ที่เขย่าเก้าอี้พยาบาลสาวหันมามองรอบๆตัวเธอพบใครคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างเก้าอี้ใครคนนั้นกำลังใช้มือทั้งสองเขย่าเตียงผ้าใบอย่างแรงพี่พร น, นั่นเองต้องปุ๊กเด้งพลวดออกไปนอกห้องทันทีหญิงสาวรีบถ่ายทอดประสบการณ์วิญญาณให้แก่เพื่อนร่วมงานชนิดลิ้นพันกันแทบฟังไม่รู้เรื่องและด้วยเหตุการณ์นี้เองทาให้โรงพยาบาล ได้จัดการทำบุญใหญ่ขึ้นและหลังจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดได้พบเห็นหรือสัมผัสวิญญาณของพี่พรอีกเลย